สติในธรรมทั้งหลายภายนอกคู่ที่ 2. ธรรมวิจัยแบ่งเป็น 3. วิจัยในธรรมทั้งหลายภายในกับ 4. วิจัยในธรรมทั้งหลายภายนอกคู่ที่ 3. วิริยะแบ่งเป็น 5. วิริยะทางกายกับ 6. วิริยะทางใจคู่ที่ 4. ปีติแบ่งเป็น7ปีติมีวิตกมีวิจาร กับ8ปีติไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์คู่ที่ห้าปัสสัิแบ่งเป็น9กายปัจสัิกับ10จิตตะปัจสัิคู่ที่หกสมาธิแบ่งเป็น11อสมาธิมีวิตกวิจาร์กับ12สมาธิไม่มีวิตกวิจาร์คู่ที่เจ็ดอุเบขาแบ่งเป็น13า